สุขเพราะได้เกาที่คันกับสุขเพราะไม่มีที่คันจะต้องเกาเพื่อก้าวไปในความเข้าใจเรื่องความสุขข อ, อนำความจากพุทธพจน์ในมาคันธิยาสูตรมาอ่านกันอีกเป็นเครื่องทบทวนแนวการมองความสุขพุทธพจน์นี้รัดเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตคนในการมีความสุขตั้งแต่ความสุขของเด็กทารกไปจนถึงสุขสูงสุด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 ที่ยังไม่ลุกเดินเล่นสนุกแม้แต่กับมูดคูดหัวเราะระรื่นเมื่อได้ละเลงอุจจ ร, ระปัสวะของตนเองต่อมาเด็กนั้นโตขึ้นมาหน่อยสามขวบห้าขวบตอนนี้เล่นมูดคูดไม่สนุกแล้วก้าวไปเล่นดินเล่นทรายแล้วก็สนุกกับการเล่นของเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายตุ๊กตาบ้างรถยนต์คันน้อยน้อยรถไฟขบวนน้อยน้อยเครื่องบินลำน้อยน้อยก็สนุกกับของเล่น มีความสุขในการได้เล่นสิ่งเหล่านี้เด็กเล็กนั้นมีความสุขยังยิ่งกับของเล่นรักใครธนุถนอมของเล่นนั้นยึดถือเอาเป็นจริงจังเช่นอย่างหนูน้อยบางคนมีมอนที่เขารักสุดชีวิตเก่าจะดำปี๋อยู่แล้วก็ยังรักใครห่หวงแหนนักหนาถ้าใครทำท่าจะมาแย่งเอาอไปหนูน้อยนั้นจะร้องไห้ทุรนทุรายดังจะเป็นจะตายเลยทีเดียว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 นี่มาอีกขั้นหนึ่งจากนั้นก็จะมีความสุขที่พัฒนาต่อไปอีกแต่ถ้าใครไม่พัฒนาขึ้นไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปนั้นถ้าเขามาสะดุดอยู่ที่นี่ไม่ช้าก็จะถึงเวลาที่เขาจะต้องสิ้นหวังหรือไม่สามารถเสพกามอามิตรเหล่านั้นแล้วเขาก็จะต้องคับแคนแสนทุกข์เพราะมันส่วนคนที่พัฒนาในขั้นสูงต่อขึ้นไป ก็จะพบความสุขที่พระนิลึกซึ้งซึ่งไม่ขึ้นต่อการอามิตรถึงขั้นแห่งความสุขที่เป็นอิสระเป็นไทแก่ตนเป็นเสรีชนที่แท้อย่างที่ว่าเป็นความสุขซึ่งมีในตัวเป็นประจำตลอดเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องสนองอีกต่อไปผู้ที่เข้าถึงความสุขอย่างอิสระที่ไม่ต้องขึ้นต่อการอามิตรเหล่านี้เมื่อหันมาเห็นหรือมองดูมูชนที่ยังเสพหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสกายกันอยู่ก็จะไม่มองเห็นการเสพการามิตรนั้นว่าเป็นความสุขตามไปด้วยแต่จะมีความรู้สึกต่อคนที่กำลังสแสวงการมาสุขนั้นด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเหมือนอย่างคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไปเห็นเด็กมีความสุขกับการได้เล่นของเล่นก็จะไม่เห็นเป็นความสุขไปด้วยแต่จะรู้สึกคล้ายดังว่าจะขำ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 เขาจะมีความสุขจากการเก่ายิ่งกว่านั้นเพราะความไม่สบายของโรคนั้นทําให้เขาอยากเอาตัวไปย่างไฟหรือพิงไฟอีกด้วยให้สมใจอยากจะได้มีความสุขเขาเอาตัวไปย่างไฟที่ร้อนเหลือเกินที่คนธรรมดาถือว่าทนไม่ไหวและเขาก็มีความสุขเป็นอันว่าคนเป็นโรคเรื้อนนี้เพราะเขามีอาการคัน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 ยังอยากจะหาความสุขจากการกาที่ขันอีกไหม ย, ยังอยากจะเอาตัวไปย่างไฟอีกไหมพรามทูลตอบว่าไม่อย่างนั้นแล้วมีแต่ตรงข้ามตอนนี้ถ้าใครจับตัวเขาจะพาไปหาไฟเขาจะดิ้นหนีสุดชีวิตเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้เห็นว่าพัฒนาการของความสุขเป็นไปทานองนี้คนที่พบความสุขที่เหนือกว่ากามอามิตแล้วก็จะไม่เห็นความสุข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 สาระที่ควรพูดถึงในตอนนี้ก็คือว่าเวลานี้พูดกันถึงคำว่าสุขภาวะหรือง่ายๆว่าสุขภาพขอถามว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคอะไรเวลาที่เขาอยู่ด้วยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นี้ภาวะนี้ถือเป็นความสุขไหมคือภาวะที่ไม่มีโรคไม่มีอาพาธไม่มีอะไรระคายเสียแทงไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีทุกข์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 ไม่มีความติดขัดระคายเคืองนี่แหละเป็นความสุขหลักอย่างสูงสุดที่เป็นจุดหมายแห่งชีวิตของทุกคนถ้าใครอยากจะได้ความสุขอันใดก็ตามถึงเขาจะมีวัตถุเสรมากมายพรั่งพร้อมเพียงไรแต่ถ้าเขาขาดสุขภาวะของความสมบูรณ์ไร้โรคนี่อย่างเดียวกามามิสุขทุกอย่างของเขาก็ลดค่าหมดความหมายลงไปตามลำดับจนกระทั่งว่าในที่สุด แท่าร่างกายของเขาถูกโรคร้ายบ่นทำลายเสียหายเหมือนดังจะหมดสภาพกามอามิสุขทุกอย่างที่เขาว่าตนมีมากล้นเต็มที่ก็หมดความหมายไปอย่างสิ้นเชิงนำซ้ำยังกลายเป็นการซ้ำเติมทุกให้ยิงสารชอกช้าไปเสียอีกด้วยนี่แหละความสุขหลักที่แท้หรือตัวสุขภาวะจึงอยู่ที่นี่หันไปมองด้านจิตใจบ้าง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 ก่อนผ่านไปขอตอบข้อที่ถามทิ้งไว้นิดเดียวว่าใครหนอคือบุคคลที่สวยสุขครบทั้งสามอย่างทั้งสุขสนองตันหาสุขสนองฉันทะและสุขไม่ต้องสนองคำตอบคือบุคคลโสดาบัน